ตั้น้อยโดยเฉพาะมือนี่ใกล้จสิ้นฟีตามค่านในยมของบ้านเฮาคนอยากย่อมหลบหลงอากติพี่น้องไปทำงานทางานทามาหาเลี้ยงติดทั้งใจท่้งใจไเสียสละทับบ้านทับทองเพื่อมาแสดงความผิดหอดผิดถึงอยาิดพี่น้องผู้ทุกบ้านทุกทองของนายผู้ใหญ่ใ เป็นริมาณในโครงสกาลสิปีเก้าทรงถา่าหรับปีไม่ทรงถายปีเก้าตอนรับปีไม่จะเห็นหน้าเหตาการปีหนึ่งข้างหนึ่งแหงดีโก้ก็จะเห็นในหูหากใจ เ, เสียห้อยจะหลับมาตาพมองโบราณพิธีกรรมของพระ พ, าทาพุทธเจ้าตาปิดถอุปัฏฐานมั่งปฏิบัติวัฏฐานพิดาบันดา มีชีิตอยู่โลกหายตายจากไปแล้วอุทิศจนทานจนบุญไปไหนพระเหตุพระธรรมุกิรพระบาปุมกินแล้วเดี๋ยวจะพอจิตตพิจารณ์ว่ามันหน่อยดูวงเดี๋ยวก็จะไม่อาบาบางจิตตพิจารณ์นี่เนี่ยสิพี่น้องบางจิตตพิจาณบุญนี่เนี่ยสิบปน้องบางจิตติจาณ์อาจจเกิดดีถึงถูกบางจิตตพิจาณถูกจั่งจองจมรู้ ทางโลกผู้จากรนักก็เติดคุกโดนผู้นักทีทุ่ดกับสหานที่พิตผู้เบาไทายถอนไทยถอนไปไทยถอนไปแลสีไปน่องญานะติญาติีน่องมากต่เแ็ดบุญแต่ก็ท่านก็อาอันนี้สองเท่าบุญ น, น, น, น, นี้เพราะว่าของท่านไปไม่ขอไม่น่าไม่จงไม่สองตงังมเ น, น, น, นี่ยมันในน คิดแต่พิจารณไปเไปยุ่ไปห้อมไปน o ไปกิ้วหปกินดีกินบุญกินกรรมเพราะน่ะเขาเขาเกยเราจิ้งขอไปแต่ายตัวน้ำให้ผู้นั้นให้ผู้นี้่ไหมเพอาะถึงแม้มีแต่รับแค่ไหนรูปหมายตายจากสวที่น้ำยุติแตชีวิตุงเสียลุผ่ายไติ เพราะฉะนั้นสำคัญกับพูดถึงผ้าเหยีย้าทั้ง่พอผูกเป้าหมานเก็ถือเดก็ถือเปหมายทิได้เต้องอาศัยบุญกรรมกรรดีกรรมตัวมันมีสองกรรมนด้กรรม บ, บุญกรรมบาปกรรมบุญจะเสียชีวิตไปเลยแต่กรรมบาปน่นค่อยๆตะกอนไปแบบเมื่อกรรมทังบาปก็ม่ีไปได้ นี่เหตุเอง่าได้ยิี้ไต้องอาศัยพีน้องผู้บ้านในไทยสิเพราะมีทัศใจยันเกี่ยวเห็นว่าตัดเคยเหตุใจนั่นคุณได้เตุใใจสังกรมมุ่งเราไปตัดสโลโกตัดโรคคืไปตามกรรมตนนั้นเลยพิธีพึ่งของตนตนเหตุยังไม่มีชีวิตรู้อระเทศบุญกุฎเตะบุญไปน้าทรงบุญไปให้ก็ไเ้บ้าผู้บ จะน้องจอมกรรมบาตกรรมท่านตั้หนึ่งกรรมดี2กรรมชั่วห้องผูจักกรรมดีกรรมชั่วดีดีท่านนี้ก็ผูจักบาตก็บุญสิแต่เพาะเพากเคยเห็ุบุญก็งผจักบาตมันเป็นทังไหนผู้จักสวรรค์ผูจักนรกเขาเห็นผูทเมื่อกี้นี่บุญเห็นผู้เมื่อกี้ในสวรรค์หนึ่งนาทีเห็นพวกพระนเรนีบากคน เดี๋ถ้าเคยทีมมือหนึ่งหนึ่งที่หนึ่เมื่อที่กี่ข้างเสร็จไปอย่างหนึ่งเนื่ที่ก็มีประโยชน์นะเริ่เคยเห็นเคยหูรูปก็ปั้นไปอย่างนี้บปดีพวกคนทีเกียดเราเห็นจะได้ไปนะอะไรจะหูบาหูบาหูปุ่นหูสุขหูทุกเขาไปทู่ใจเกิดมาจะพบจะพาดจะรักจะสนหูมัดเขไปพิ่งใจได้ดีคนน้อยเพา่งใจวะไม่ตัก็ห้องมีกายรัใจ ปุญญาตัญญาจัยแต่ละในั่นแต่ใจนี่ใจปุญญาตัง ญ, ญาจัยดีไปน้องเหตุดีเหตุบุญก็ไปแล้วไม่แต่การเผยแพร่การพุทิศการเพื่อแพทรท่านจิตใจของเขาจิตใจนี่ในตาปานี้กิตใจดีได้แต่โบนี้มาขอบุญน้ำโบนี่บุญเนี่ยเข า, เขาเก็เทปบดีพงงามก็ถ้ามาค่าขายก็คืนไปใส่มาใส่วัสดุสบายเป็นนั่นเป็นนี่ น, น, เ น, บบนออ่เห็นว่าคนนอกยงหมดเป็นรู้ซือกันบางคนทุกง่ายบางคนเป็นคนปีการบางคนมีปัญหาเาาน่นีบางคนมัมีปัญหาก็พอกานี่ยรู้ซือกันแล้วนี่ก็คั่วกันกับางคนกมีใจบุญบางคนมัมีใจบุญน่มต่างกันบ่ดบัดนี้ผล ท, ท, ท, ท, ท, ทุกบัยิดนี้บัดทปนทุกข์งาสัมเทศของผู้ใหญ่บไดยินบัททุกข์ที่สุดคือหาที่เกิด ในนี่สื้อนื้อเพื่อคือของเนื้ออ่นกินไปซ้อทังสี่หลวงพ่บอกว่าได้ทบุญบุญอาหารใจบุญตาเนื้อเดียวเห็นบุญเดต้องคำะจากถูตาภคหไม่ตาเนื้อา้องเห็นตะบาดตัวเห็นยังหลับลำรวยสวยงายนั่นโทวบาดตัวเหมอนนรกไหมไงเห็นว่ตั้รมคอคว่ำขุอจีนว่ได้ซื้อจากบาดตบ่เบิ้งนั่นแหะบุญ บ่มีอย่างไรเนี่ยเขเห็นตาใจอย่างเดียวหนึ่งไม่มีสองเขาก็เห็นลำลุ้ยถึงพุม่มอยากกัเพิ่มกัาไม่มันเป็นลุ้ยทอมู้กับหาวิธีเป็นนี้เป็นสิ น, นะเพราะอย่างนั้นพอพว่มอยากมันวันอยากคือแต่ว่าล้มบ่มีนอกอยากที่มื่อพ ม, มอยากคือบเห็นตาล้มท่องไปถึงพว่มบริสุทธิ์ล้มบริสุทธิ์ดิบ่หนักบ่ได้หิวบ่ได้แบกหนาทถึงบอกเบิ่งละบ่ได้ถือ ถามใจก็ไปไม่รู้ว่าเขาเกิดมาเพื่อชุดนี้ท่านนี้เพื่อถึงมาเหตุน้ำคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่เกิดมาเราไมาหลงกันตายเราตัวกูตัวกู้เห็นต้อง ก, กันแต่งว่าเกิดประดับประดาหามาในเสด็จกบพ่อได้เงินร้อยเดือนได้วันร้อบยบาทเวราหลายคนแห้งบัดนี้เพิ่มหามาเสด็จเพิ่มก็ไปแม่เพื่อนคนกี่คนตําตาของนั่นแพ่งของนี้แพ่ง กระแงแล้วคนทุบมุดเด่นมั่วหัวมั่วมั่วเพื่องเื่องแต่เจ้าแต่ยันเก้านาทำป่ากินเขาล้วทุ่มือินในยูนี้กินกับเสียบผักนั่งอางยาหัวกินได้เปยังมีปทุ่มืงินมีแต่ทาตาโก่กเก๋ๆเดี๋ยวก็ไปไสก็ไปเรียมตาเมื่หัวง่างพดแต่ละก็มิตรหนีได้บดหาคนหวยเด็ดดแกงตแงหาเด่นล้นพอแม่ชีน้อง กินน really. ้ำกันบ่ไหนคือขว้างน้ำสู่คือขว้างน้อยน้อยู่คนตรวทีกองหน่อกันเกันโอ้คนกายทั้งกิมเขาเลยนงทีนองมาเิมเข่าเด้อมือบ่มีในหลวงบ่ได้จิงจังใจดำเอาคนยุน้ำน้ำกน้ำโพงน้ำนถ้ากวยน้ำขาวนทงคนตายทางไปมากเป็นกินน้ำกินหนังนําหมดมือนเฮ้ยบ่มีในหลวงแล้ว มุดโแกงมสแวงหาเพราะฉะนั้นดีเทียดรถึงมีสินทัพยุ่งตีแล้วจกน่อยสิ่นทัพมุดไปแล้วโอ้ยง่ายเพราะพุเจว่างสินทัพไปหาพ0นปีนะมุดไปตะแดแล้วมุดไปมดไปมดไปก็แหลมก็ไปแหลมก็ไปเกิดเห็นบันตะเฮาเกิดมากพังรู้ไม่ได้ความในพวกเื่นกันมากินข้าวกินน้นได้ซิ่งได้ของดีๆมากยุใสพิลามมากเรินไม่กินข้าวน้ำเป็นยในผ้าเข่าร่โคงขุนต เม่เมื่อเนี่ยก็นมีเล่าตือกันบ่นกินตำหนาบูญหนาเปี่ยวเสี ก, กันสนามเมืองยิ้มสยามเมืองยิ้มจุดไล่ะ<ม> ก, กินดาวรมาโอ้จะน่ายเป็นหนาสลดตั้งเวทแ ด, ด่ที่ข้าวข้าวย่างดเห็นตุกขนตุกแห้งคือมือนเป็นเรื่องพอดีบางามจุไหก็ข้าวหเห็นหมดจุเมือนเพราะฉะนั้ น, นุพอจริงตำรลกหาไปทีท่ถวยพัฒนา เอาลูกหลานมาถือสิบแปดเกือบิได้รห้าสิสมัครมาเรื่อยๆบางแห่งมาหาลัยก็เรมขอมาสมัครูมาหาลัยจมาหาลัยเรียนไม่จบหาเทอมอรหาเงินหนึหาเ ง, หงิเงก็ อ, ออกก้อยมาถือสินแปดได้ประนสมัครมท่านตนมีสมท่าน ตอขณะสงฆ์ลงบัดลงอะไรยังนั้ขณะสงฆ์้วเรียบร้อยหลวงปู่ไม่ได้ไปคุ้มนี่ต้องคุ้มเจ้าของนี้พรท่านัดจาะในชี่ือในที่ือสา์สุจริตนะแนี่ก็ซือสารสุจริตก็ไม่มีปัญหาตัวเพราะว่าของทุกสิ่งทุกอย่างบุญบารมีของหลวงปู่ในตั้งกำหนดเอาไว้ มาช่วยพระพุทธศาสนานี่ก็ให้ลูกหลานมาถือศีลช่วยพุทธศาสนาสอนคนทั้งโลกคนหนึ่งแต่มาถือศีรทำได้บุญในสงศ์สอนคนในโลกเขามาบวชคนหนึ่งได้ในสงหลายนั่นถือต่ออายุพรพุทธศาสนาดิเอาก็บม่มีพระรูปบุญในถือต่อของนี่เริ่มจากพุทธมามะกะอาษารักษาใจ อาสาข ม, าม่าที้มารักษาจิตรักษาใจให้คู่เห็นแล้ววันไปสอนผู้อื่นได้ว่าใจมันเป็นเท่าไหร่ดิแต่ทุจรักพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนท่านไหนผู้เจ้าสอนท่านตรงคนทั้งุูมือนี่มิตรสอนท่านคงเท่วทั้งเบิ่งเฮืองหลมันติดคำเมื่อตะปูบอวกว่ามันติดสาคํททาท่านนั่นก็เป็นโอกาสดีก็กำลังวิจิตรที่ดี ราตนาในมุ่นพระเจบผสมผสานคู่บาอาจารย์มางั้นมาทร า, า, านมาบาดมาตองโดยเฉพาะขยักมง ค, คาา้นข้าถาเป็นสิริเป็นมงค้นญาติพี่นอไไ้องก็เลยมาร่วมกันสาเหตจุจากปัญญายุทธ์ปัญญาลูกหลานบัดนี้แห่หนี้มีความดังดีมา ร, วม ร, มาารา่วมกันสรรพมีตทั้งสี่เขาก็ปฏิร่วมกันเด็กมหาอยูุให้กินเดี้ยหัวมัวเมาเควดเพควนโดยเฉ พ, ะพออาะกอบก้วฟังพอบก้วกินเหล้ากินยากินไปกิ น, าก น, นมากไปก็มาเถียงกัน ต <S an> ีกันปาแ ต, ปแ ต, ปแ ต, ปตนปาแตนบือนตัวมูกันเตี้ยวกันนักินเข่าคากันก็มีเหมืนตัวยิ่งต่อยกินเหล่านักกันนี้ท่าเป็นสิริมงคลผู้อยู่ร่วมเสียหายตัวผู้อื่นไปเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนดี๋ยวพี่ไปนอกมาแล้วมาร่วมกันทักการบูชาปกติรประทับประสงค์ทำบุญปีไหม ทูมา้าก็้าใจคนของไปตไ็ตวาททยพระนบัติทุกเรื่งแหกันมือว่านินตบาทจะใส ส, ส, ส, ส, ส่วัลลงคู่พระตัวบอกว่าเปน็นนางรับตาสนมมือเั็งแต่คนหลายตัวไทยกินัะเกียบได้บุญก็คือได้บาทแต่พระสงใได้สันประใท่หลายๆปรนเด็นนีนนยนนหน่อยเช็ดบาทในพระอาภเษต่างนางก็บนนริสันแต่ว่าทำบุญนว่าสิ ยกมืต้นหวนางบังใจขนาดนี่ันจิได้บุญเลําบากต้องบุเพระเจ้าประสงค์ขันว่าเส้นหลจากไส้ก็เลยันไส่เปลียนคนได้หลายที่ก็ใส่จากสองสามเมตรนั่นน่ะโอ้ย่าผู้อื่นมาไส่น้ำมือเหมือนงอไส่พูดเยอะงอใส้พูดเยวู้ีโร่บอเต้นดูตัุนะโรคบุญผู้อื่นก็บอกจะไส้น้ําะบ้าน่ะมันวอคิพใจวอกวงวงคนน้องใจแขบงเาไท้ตัวพุดธเราส้เพราะุทธลูบุญว้า เรานาจุนกุศลลงต้นโยมลูกล้านเรัตนานี้มาร่นพระเจ้าพระสงฆ์ปู่ลวงปอ่มาบานมาจ้องให้เป็นสิริเนีเป็นมงคลโดยน่าทุนกุศลทางทานของข้าได้เห็นแต่ท่านเดีวนี้อันานัทุนประพฤติเจ้าทุนประทับคุณประสงค์และทั้งเกทั้งลายก็จงมาร่วมกันจงปกปั้งปกปักหษาตัวเนี่ยโยมหลุกล้านจงมีตัวามสูกความเลื่อนถูกกายถูกใจเป็นท่านเวสะวสบายตลอดปลอดย ารงานตึงเลยกางานตงเยปัจจณาที่นี่อะรเกิดจงสาเร็จจงสำเร็จสมดังกั้วปัจจณาจงทุกติ้งถูกประการเดินสาธุสาธเชียร์สาธุสาธุสาธุอนโมทามิภาษาโบราณบางตีนี้ใส่อนุโมทามิ ข้ามสาสุขในข้ามของพูะเจ้าว่าโอ้ยจังมันดีร้ายก็แต่ภาษาเรนนาเนาสาสุขสาตทุกสี่งร้ายกันทั้งโลกตเมือม่อตัวเปิดเปิดเปินแน่ทั้งโลกทีทั้งทั้